ที่ได้จำทรงไว้ก็ดีความแจมแจ้งในชั้นสัญญาไม่ใช่รู้เห็นตามความเป็นจริงซึ่งเป็นชั้นปัญญาเหมือนอย่างพระอริยาสาวกที่ท่านได้เห็นความจริงคือไตรลักษณ์หรืออริยสัจและได้ทากิจตามหน้าที่ของอริยสัจทั้งสี่ด้วยจึงละความยินดียินร้ายในโลกธรรมทั้งแดได้ ถามว่าไตรลักษณ์และอริยศาสตร์นั้นข้าพเจ้าเข้าใจดีและอธิบายให้คนอื่นฟังอีกก็ได้ทำไมจึงว่าข้าพเจ้าไม่รู้หรือจะให้ข้าพเจ้าเทศไตรลักษณ์และอริยศาสตรส์สให้ท่านฟังสักการใหญ่ก็ได้ตอบว่าข้าพเจ้าพูดถึงชั้นปัญญาของพระอริยสาวกท่านก็พูดแต่ชั้นสัญญาอีกร่ําไป ท่านจงใคร่ครวรพิจารณาดูเองเถิดถ้าความรู้ความเห็นของท่านไม่ใช่ชั้นสัญญาเป็นชั้นปัญญาแล้วก็คงละความยินดียินร้ายในโล ก, กธรรมทั้งแปดได้เหมือนพระอริยาสาวกที่ไหนจะเป็นปุถุชนข้าพเจ้าไม่เข้าใจว่าความรู้ชนิดไหนเป็นชั้นปัญญา เพราะข้าพเจ้านึกถึงธรรมะทั้งหลายที่จำทรงไว้นั้นก็ได้ความในคำสอนทั้งหลายชัดเจนแจ่มแจ้งจึงสำคัญว่าเป็นชั้นปัญญาความจำทรงทั้งหลายไว้ได้มากนี่เรียกว่าชั้นปริยัตและนำคำสอนมาประพฤติปฏิบัติเจริญเจรณะ15จนแก่กล้าบริบูรณ์ขึ้นอีกแล้วนี่เรียกว่าชั้นปฏิบัต เมื่อวิชาและวิมุตต์เกิดขึ้นนี่เรียกว่าชั้นปฏิเวทข้าพเจ้าเข้าใจผิดและเป็นผู้ประมาทมากไม่ได้เจริญจรารณาสิบ้าให้บริบูรณ์ขึ้นในตนจึงไม่ถึงซึ่งวิชาและวิมุตต์ความศึกษาของข้าพเจ้านั้นคงเป็นหมันเสียแล้วตอบว่าเมื่อท่านรู้ตัวได้เช่นนี้ เป็นความดีสำคัญทีเดียวจะได้ตั้งใจเจริญจารณาสให้แก่กล้าบริบูรณ์จะได้ถึงซึ่งวิชาละวิมุตจะทำในใจแยบคายอย่างไรจึงจะไม่ประมาทและมีความเพียรตั้งใจเจริญจารณา15ให้บริบูรณ์ขึ้นตอบว่าความไม่ประมาทก็มีอยู่ในจารณา15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 ขอท่านจงแนะนำให้ข้าพเจ้ายินดีในความไม่ประมาทและเห็นภัยในความไม่ประมาทตอบว่าต้องพิจารณาให้เห็นภัยในสังสารวัตรหรือพิจารณาเห็นภัยในทุกติและกำเนิดสัตว์เดรัรชานว่าผู้ที่ประมาทแล้วนั้นต้องเวียนเกิดในวัฏฏะสามเป็นเขตแดนแห่งมัจจุราชคือเกิดแก่เจ็บตาย ตายแล้วไปเกิดเกิดเลแก่เจ็บตายไม่มีที่สุดเวียนอยู่ในสามภพสามภพนั้นลำบากมากเพราะประกอบด้วยชาติชารามรณะสมัยใดเสพสัตว์บุรุษและฟังธรรมก็ทำกรรมเป็นบุญจึงได้เกิดในสุขติสมัยใดเสพอสัตว์บุรุษก็ทำกรรมเป็นบาป เพราะผู้ที่ยังละอาสวะไม่ได้ก็ทำกรรมเป็นบาปต้องไปเกิดในทุกขติและกำเนิดสัติรชานเสวยทุกขเวทนาอยากกล้าเผ็ดร้อนเหลือที่จะพนานาเพราะยังไม่ปิดประตูอาบายคื อ, อยังไม่บรรลุสดาปฏิผลเราจะประพฤติปฏิบัติได้ก็ในเวลายังมีชีวิตอยู่เท่านั้นถ้าความตายมาถึงเข้า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 อเชวกิจมาตัปังโกชัญญามรณงสุเวณหินโนสังขรันเตนะมหาเสเนณะมัจจุนาควรรีบทำความเพียรในวันนี้ทีเดียวไร่เล่าจะรู้ว่าความตายจะมีมาในวันพรุ่งนี้ความผัดเพียนด้วยพญามัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่ได้เลยทีเดียว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 ความประมาทนั้นเป็นข้อสำคัญของผู้ปฏิบัติทีเดียวเพราะขาดสติในสมัยนั้นไม่มีโอกาสที่จะทำความดีได้คงมีแต่ใจที่เป็นอน ญ, ญาสมานาคือเป็นกลางๆไม่ใช่บาปแต่ก็ไม่เป็นบุญได้เห็นรูปฟังเสียงที่ดีก็เกิดความกําหนัดยินดีได้ง่ายๆหรือเห็นรูปฟังเสียงที่ไม่ดีก็เกิดปฏิฆะ